วัดไว้ก่อนอย่าเพี้นพ่ายจะให้มีเสียงดังมีอะไรหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ลูกหลานฟังประจำวันแต่ว่าประจำวันก็ไม่น่าจะผิดนะลูกหลานนะเพราะหลวงพ่อพูดประจำวันจริงๆถ้าไม่พูดตอนเช้าอย่างนี้ก็ไม่รู้จะพูดเวลาไหนศรัทธาญาติโยมก็มาจากจาตุรทธิศพอมาเจอกันแบบนี้อ่ะพอเหมือนกับมากราบพระประธานพอกราบเสร็จแล้วก็ไป พระสงฆ์ไม่ได้พูดอะไรพอกราบไปกราบมาแล้วก็พระพุทธพระประธานเท่ากับพระเดตรัสได้พูดอะไรท่านก็ศักดิ์สิทธิ์เจ้งพระพุทธพระพุทธเจ้าพระพุทธปฏิมาแต่ไม่มีใครอธิบายว่าพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างไรภาษาวกเป็นมาอย่างไรพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรโปรดสุดมาหลายครั้งต่หลายหนก็ไม่ได้ยินอะไร พวกเราคงจะจืดจางทีนี้เพราะนั้นหลวงพ่อมามองถึงจุดนี้แหละเพราะหลวงพ่อเป็นพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์ผู้เป็นแนวหน้าหรือนำหน้าช้างเท้าหน้าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยช้างเท้าหลังเป็นผู้สนับสนุนแต่พระสงฆ์เป็นช้างเท้าหน้าจะเดินไปทางไหน เ, เดินเข้าไปหาอะไร ถ้าเดินไปหาเหวหาบอ่อช้างเท้าหลังก็ตกเหวตกบอ่อไปตามเหมือนกันถ้าเดินไปหาความสุขความสุขความเจริญหาแหล่งน้ำหาอาหารที่อุดมสมบูรณ์ช้างเท้าหลังก็เดินตามนี่แหละลักษณะอย่างนั้นละ่ะศรัทธาญาติโยมเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้พูดเรีกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายพระสงฆ์ด้วยพระสงฆ์ก็ไม่ใช่ จะพูดคุยกันไม่ใช่หลวงพ่อบอกว่าแนวกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเราสอนกันแบบมหาวิทยาลัยเปิดไม่ใช่มหาวิทยาลัยปิดมหาวิทยาลัยปิดนั่นคือเขาสอนกันอย่างสุจุฬาธรรมศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ทั่วประเทศเขาจะสอนกันเป็นหัวดเป็นทั้งพี่ทั้งวัน มีครูบาอาจารย์สอนแต่สุขโขทัยรามคาแหงเขาไม่ได้สอนอย่างนั้นเขาให้ตำรับตำราเอาแนวความคิดไปให้ไปศึกษาจากนั้นถ้าข้องใจสงสัยที่ตรงไหนก็มาถามครูบาอาจารย์มีที่บอกที่สอนให้ทำความเข้าใจจากนั้นก็มาสอบแปบ่าค้นคว้าศึกษาเองนี่แหละพระกรรมฐ า, านสายหลวงปู่มั่น ที่ได้หลวงพ่อได้ศึกษามาจะเป็นหลวงปู่ล่าหลวงปู่จามหลวงตามหาบวัวกูบาจาั์รุ่นต่างๆหลวงพ่อเคยพบเคยพบกับเกือบทุกอง์พรหลวงพ่อเกิดก่อนลูกหลานนะตั้งแต่ปี2500มากูบาจารยังครบท้วนบริบูรณ์พลวงพ่อก็เข้าไปศึกษาก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว เป็นมหาวิทยาลัยเปิดไม่ใช่ปิดนะมีครูบาอาจารย์มาจะเทศอบรมให้ฟังทําอย่างนี้นะปฏิบัติอย่างนี้นะทําจิตใจอย่างนี้นะเดินจงกลมนั่งภาวนาอย่างนี้นะอ ย, อย่างนี้แหละอันนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นแหละลูกหลานที่มาสู่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อก็แนะนําบอกกล่าวส่วนจะลูกหลานจะนําไปประพฤติปฏิบัติอย่างไรอันนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกหลานนะลูกหลานจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ลูกหลานอีกเหมือนกันไม่มีการบังคับ แต่ว่าพวกเราเห็นคุณค่าและก็เออใช้ปัญญาของเราใช้สติใช้ปัญญาของเราการกลองไต่ตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้ น, นวันนี้ก็ลักษณะนั้นเหมือนกันนะลูกหลานคณะสัาย า, า, าติโยมแล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์ที่26สิบสิงหาคมพุทธศักราช2560สบ เข้าพรรษามาก็กลึ่งเดือนกวักกว่าเท่านั้นลูกหลานนะประมาณสามเดือนน่งเลยครึ่งไปแล้วหลวงพ่อพยำ้ำตอกย้ำให้พวกเราลูกหลานว่าลูกหลานทั้งหลายคณะรัาญญาตยาธิโจมถึงจะไม่ได้อยู่วัดหลวงพ่อก็เถอะอยู่แห่งหนึ่งตำบลใดพวกเราได้ตั้งจิตอธิษฐานอย่ากโกหกตัวเองนะหลวงพ่อกขาพูดอย่างนั้นนะถ้าว่าพวกเราจะงดบุหรี่ งดได้ไหมถ้างดไปได้ก็แสดงว่าเราโกหกตัวเองนะในพรรษาเนี่ข้าพเจ้าจะงดเหลนะ้าไม่กินเหล้ากินเบียร์ถ้าหาว่าเรางดได้ก็ดีนะเอพอเรายจะรักษาความสัตย์ความจริงในจิตใจถ้าเรางดไปได้นะมาก็กินแปลว่าโกหกตัวเองนอะแต่การโกรหกตัวเองคํำนี่แหละอเหมือนกับเหมือนกับเป็นของหลอกๆเล่นๆนะ โกหกตัวเองแต่ว่ามันเป็นผลสืบเนื่องต่อไปภายภาคหน้าจะหาความสัตย์ความจริงไม่ได้กับคนคนนั้นนะเราไม่น่าไว้ใจในตัวของเราเลยเราตั้งความสัตย์ความจริงไว้แล้วยัมาโกหกเราโกหกตัวเองมันเป็นไม่ดีไม่ดีเลยถ้าว่าเขามอโกหกเราเราโกรธให้เขาหัวฟัดหัวเวียงเนี่ยเพราะว่าโต ตัวเองโกหกตัวเองอะหัวเราะแห่แหแทั้งวันเป็นอย่างนั้นไหมนี่แหละให้พวกเราตั้ง อ, อกตั้งใจตั้งจิตตั้งใจนะครับนักศรา ญ, ญาติโยมลูกหลานที่ได้มาเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าแล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจ ถ้าหากว่าพวกเราศึกษาในหลักธรรมคำสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะซึงหรือว่าเข้าใจในกฎในหลักธรรมนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วมันอีกแนวหนึ่งนะลูกหลานนะ มันแปลกแวกแนวจากวิชาทั้งโลกมากทีเดียวเลยถ้าเราได้ศึกษาในรายละเอียดแล้วนะถ้าพาพวกเราศึกษาแบบผิวเผินก็นย่างว่านะไม่รู้ว่าวิชาไหนมันก็เป็นแนวความคิดทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าเราศึกษาในรายในรายละเอียดแล้วนะวิชาพุทธศาสนานะเป็นวิชาที่หรือภพหรือชาติจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่แหละอันนี้เป็นวิชาที่ เหนือนอกเหนือจากวิชาอื่นๆวิชาอื่นๆจะเป็นวิชาวิทยคณิตอะไรก็าตามาวิทยาการทุกวันนี้มีมากวิชาทุกวันนี้มีมากมีแต่เรียนออกไปข้างนอกอพอเรียนเข้ามาแล้วคนนี้เรียนเข้ามาตั้งสูตรขึ้นม า, าแต่ว่าก่อนที่จะตั้งสูตรขึ้นมาแล้วเขาปฏิบัติซะก่อนในเมื่อเขาเห็นผลแล้วเขาก็เขียนเป็นตําราขึ้นมา พอควรให้เขียนตําราขึ้นมาคนที่สองปฏิบัติเหนือกว่านั้นอีกอเขียนตําราขึ้นอีกต่อเติมกันไปอีกคนที่สมขึ้นมาอีกปฏิบัติดูแล้วเหนือกว่านั้นไปอีกเขียนตําราไปอีกสรุปแล้วก็คือวิ ช, ชาทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดสรุปแล้วเท่าเรียนเท่าไรก็ยิ่งกว้างขวางไปเลยยิ่งหาที่สิ้นจุดไม่ได้แต่และ ว, วิ ช, ชาความรู้เนี่ย มันไม่เหมือนวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยที่หลวงพ่อพูดว่าวิชาพระพุทธศาสนากับวิชาทางโลกมันต่างกันอย่างไรเนี่ยแต่วิชาพระพุทธศาสนากับท่านให้เรียนท่านไม่ได้ให้เรียนไปข้างนอกนะลูกหลานคณะสัตยาติโยมนะถ้าเรียนไปข้างนอกนะว่าเรียนตะคุบเงาต่างวิชาทางโลกเรียนอย่างนั้นเดียวว่าเรียนตะคบเงาความคิดของตนเองแต่เรียนของพุทธศาสนาเนี่ย ท่านให้ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจเรื่องทั้งหลายออกไปจากไหนพิจาาความรู้ของเราที่เรียนมาเ น, น่มันออกไปจากแนวความคิดแนวความคิดมาจากไหนมาจากสมองสมองคิดขึ้นมาแล้วก็เขียนเป็นตารา ต, ต่อกันไปเรื่อยๆแต่ที่นี่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้นั่งสมาธิก่อนให้จิตเน่งซะก่อนให้จิตรวมซะก่อนไอ้ตัว สมองน่อย่าให้มันปูงฟุง้งอย่าให้มันคิดไปทางอื่นให้มันเป็นหนึ่งซะก่อนพอจิตเป็นหนึ่งมันไม่ปูงฟุ้งไปข้างนอกจิตรวมจิตเน่งจิตเป็นหนึ่งพอจิตเป็นหนึ่งเข้ามาเราก็รู้ได้ว่าเนี่ยกายกับใจใจกับกายใช่ร่างกายเหมือนกับ เ, เป็นเป็นตัวถังของรถแต่จิตใจเหมือนกับโซูโฟรถแต่รถ โซเฟอร์นะ่ะจะให้ทำอะไร อ, อทนีนี้เมื่อจิตใจรวมเราก็ย้อนกลับมาหาตัวผู้รู้เนละมันออกไปจากใจทั้งหมดวิชาทั้งหลายทั้งปวงนะนะ เ, เพราะว่ามันไม่ใช่ออกไปจากที่อื่นก็เหมือนของัวเทียนไฟฉายที่หลวงพ่อเปรเียบเทียบให้ฟังไม่รู้ว่ากี่ครั้งตัว ก, กี่หนไฟฉายเนะี่ยถ้าเราฉายออกไปนะไปเห็นต้นไม้ภูเขาคู่คนทั้งหลาย ใช้ไปเท่าไรยิ่งเห็นมากเรื อ, อว่าพอแสงสว่างขึ้นมาก็มองเห็นได้ไม่ต้องใช้ไฟแต่พอกตกกลางคืนมใช้ไฟดู เ, เดินไปเห็นหมดแล้วก่อน่ยไปศึกษาเรียนรู้อันนี้งัวไฟร้างหมาหมูหมาเป็ดไก่ อ, อ, อะไรทั้งหมดแต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านมาเรียนไปทางนู้นท่านเรียนย้อนเข้ามาไฟฉายมันเกิดมาจากไหน หัวเทียนะมันมาจากไหนเอ่ทำไมมันจิงสองแสงสงแสงสว่างออกไปข้างนอกอย่างนั้นพอย้อนก็มาหาตัวผู้รู้คือใจเท่านั้นน่ะดับสวิตซ์ทับโอ้เรืองทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมดนะตัวนี้เป็นตัวการใหญ่นะเอที่จะทำให้โรคจุ่งเยิ้งวุ่นวายรโรคเจริญรุ่งเรืองมีความร่มเย็นผาสุขออกไปจากนี้ทั้งหมดเนี่ย แต่เนี่ยแต่พระพุทธเจ้าท่านค้นขวาศึกษาจุดนี้เลยจุดที่ว่ามัณโนปุพังเขางมาธรรมาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจฟังดูซิว่ามีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละอันนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาโยมอะไรให้ศึกษาในจุดนี้ คำว่าใจใจคำนี่หลวงพ่อเคยพูดเมื่อวานจะเป็นวิทยาศาสตร์ขแขนงไหนก็เถอะอจะเป็นวิทยาศาสตร์รุ่นที่ว่าสำรวจตัวตาดาวอังคารพระจันทร์มาแล้วก็เถอะนะจะมาพิสูจน์เรื่องของใจไม่มีทางที่จะรู้ได้วิทยาศาสตร์ขแนขแนงไหนเพราะอะไรเพราะมันเป็นใจแล้วมันเป็นตัวนามธรรมเป็นตัวผู้รู้ อยู่ในจิตใจของของเราแต่คนอื่นจะรู้ใจของคนอื่นไม่ได้ของใครของเราแต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่าน ม, ามีอย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ปฏิสัมพิธาญาณพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนิรุติปฏิสัมพิธาปฏิพานปฏิสัมพิธาเนี่ยปฏิปฏิปฏิพานสามารถที่จะดักใจทายใจคนอื่นได้ รู้ใจความนึกคิดของคนอื่นได้มีในหลักของพุทธศาสนาแต่วิชาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาไดจากสมาธิเป็นจิตใจที่ทำให้เน่งซะก่อน เ, อเมื่อจิตใจนน่งแล้วเกิดยานรัศนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาอันนี้เรียกว่าท่านรู้ไดแต่นอกจากนั้นตานวิทยาศาสตร์เข้าไปจะเป็นคนจะเป็นใครก็าตามไม่สามารถที่จะ ดักใจทายใจของคนอื่นได้ไม่สามารถที่จะรู้แนวความคิดรู้สึกนึกคิดของคนอื่นได้แต่เขาก็พอรู้นะอย่างสมองกาบของสมองเวลาเขาใส่เครื่องมือแพทย์เข้าไปว่าเดี๋ยวนี้ความสมองมันเป็นยังไงการทำงานของสมองมันคิดอย่างไงอันนี้เขาหรกาบหัวใจอย่างนี้เต้นหัวใจเต้นเป็นยังไงเขารู้ได้เพียงแค่นั้น แต่หัวใจความรู้สึกนึกคิดแต่แล้วคนในช่วงนั้นเขาคิดเรื่องอะไรไม่มีใครพิสูจน์ได้นอกจากตัวของเราเองแต่ถ้าว่าในสมัยครั้งพุทธกาลมีท่านพระอนุรุท ธ, ธะเถระท่านสามารถรู้จิตรู้ใจของคนได้พระพุทธองค์ได้ยกย่องได้รับเอตัคขะวานิอนุรุท ธ, ธะเนี่ยเลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย สามารถที่จะอย่างรู้จิตใจของคนอื่นได้ความนึกคิดของคนอื่นได้ อ, อ, อนุรัฐานเหนือกว่าภิกษุทั้งหลายแต่ไม่พิถุทั้งหลายก็เรียนรู้นะเหมือนกับพวกเราเรียนรู้ภาษาไทยลักษณะนั้นนะเรืเ่องว่าวิชาอื่นๆนันแต่คนหนึ่งเหนือกว่านะออได้รับ เ, ออเจียนจบ เ, ออเจียน เ, ออเจียนจบกว่าเหนือกว่าใครทั้งหลายในวิชาเรื่องนี้นะ อันนี้ก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าได้รับส่งให้ว่าพระอนุรุทธะได้รับเอธะตะคะจากพระพุทธเจ้าเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายารู้จักทายใจดักใจทายใจความนึกคิดของคนอื่นได้ใจของขุนอินคิดเรื่องอะไรพระอนุรุทธะกำหนดดูเข้าฌานเข้าสมาบัติเข้าอาวิชาความรู้ของท่านตามเลยตามจิตเลย นี่แหละท่านจึงพูดในพระไตรปิฎกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปริเนปานในวันเดือนหกเพนนนะ่นวันคืนวันนั้นพระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทพวกท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนะจากนั้นพระองค์ก็เงียบ ไม่ตรัสอะไรอีกเลยนะอันนี้เรีว่าจาสุดท้ายของพระเจ้าถ้าพูดเป็น พ, พระบาลีก็ว่าขยวยะธรรมมาสร้างคาราอัปปมาเดนะซัมปาเดทาติสังขารทั้งหลายเกิดมาแล้วเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดพระองค์ พูดจบแล้วก็เงียบทําการปรินิพานใครข้าวทาการตายล่ะพูดง่ายๆปรินิพานท่านมรณาภาพล่ะอันนี้เป็นคําสั่งเสียของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระสงฆ์เงียบเก็บพระสงฆ์เป็นหลายร้อยองค์เป็นพันทั้งประชาชนล่งนั่งอยู่วงนอกด้วยเงียบเก็บพระสงฆ์ทั้งหลายก็เออพระพุทธเจ้าปรินิพานละอย่างตายละอย่างเนี่ย วิญญาณออกจากร่างได้อยนี่เขาก็วเนี่ยท่านอนุอนรุทธะนี่รู้ว่าได้รับเอตตะคะได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าพระสุทั้งหลายว่าวิญญาณออกจากมันไปที่ไหนทั้งก็ถามว่าท่านอนุรุทธะเดี๋ยวนี้พระจิตของพระพุทธเจ้าพระทัยของพระพุทธเจ้า ดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้านะ อ, อยู่ที่ไหนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้พระนุรุตทะท่านนั่งสมาธิท่านมองดูเออพระพุทธองค์กําลังเข้าปฐมฌานนะจากนั้นก็เข้าตุติยฌานเออกาลังกําลังเข้าตุ ต, ติุติยฌานเข้าฌานที่สองนะตะ ต, ะติยะฌานฌานที่สามนะก็ฌานที่สี่นะในฌานที่ห้านะ สารที่หนะสารที่7พอสานที่7 7แล้วทันย้อนกลับมาหาสานที่6กสารที่5้าสารที่4ีสานที่3าารชานที่2อชาติที่หนึ่งจากนั้นพระองค์เข้าไปอีกชาติที่2อชาติที่สาชานที่4ในระหว่างชานที่สกับชานที่หเนี่ยต่อกันพระพุทธเจ้าปรินิพานไม่อยู่ในชาต เออทั้งรูปประชานและอรูปประชานเอ่อในระหว่างไปในระหว่าบปรินิพานในระหว่างกลางในรูปประชานและอรูปประชานเอ่อพระอนุรุท ธ, ธาบอกว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วจบแล้วเข้าสู่นิพานแล้วอันนี้คือคือภาษาริบุตรได้พระอนุรุทธะที่ท่านได้ติดตาม พ, พระจิตของพระพุทธเจ้า การ น, นอกนั้นก็ไม่มี เ, เพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกว่าวิทยาศาสตร์ขแขนงไหนถึงจะมาตั้งพิสูจน์ว่าคุณคิดเรื่องอะไรขณะนี้รู้รู้สึกนึกคิดของคนอย่างไม่มีวิชานี้เป็นมีมีวิชาในพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่พระอราหาันตสาวกท่านได้วิชานี้ เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้นะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นท่านทํำยังไงเราจะเป็นหูหลับหูหลับตาไม่เชื่อทีเดียวก็ไม่น่าจะถูกเราจะเชื่อแบบงมงายไปเลยใครพูดอะไรจะเชื่อทั้งหมดก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันทีนี้เราพิธีการพิสูจน์ทำอย่างไรในหลักของพุทธศาสนาท่านว่าให้ท่านนั่งสมาธินะนั่งสมาธิพระพุทธเจา้าที่ท่านจะรู้ วิชาความรู้ในจุดนี้ได้นะท่านทำอย่างไรพระองค์บอกว่ า, วาเรานั่งขัดเรานั่งสมาธิในวันเดือนหกเพนที่คืนที่เราจะได้ตัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่จะได้ประกาศพระธรรมคำสอนออกมานะ่คือเรานั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้าสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญสติเฉพาะหน้า สติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี่แหละคือถ้าถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษกคือว่า A ถ้าเขียนเป็นตัวเลขก็ว่าหนึ่งแปลว่าเริ่มตน้นจากนั้นพระองค์ก็กำหนดลมหายใจเข้าออกจนพระทัยใจของพระองค์ ร, รวมสงบลงเป็นหนึ่งยังเกิดญาณรัตเกิดญาณทัศนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นมา อันนี้แหละหลักพิสูจน์วันนั้นพวกเราท่านทั้งหลายคณะสัทยาญาติโยมทุกหลายที่เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าจะพิสูตนกระทดลองดูแต่ให้จริงจังนะไม่ใช่ว่าย่อๆแย่ยๆเอาจอบไปขุดจกสามจอกอยากจะได้แร่ทองคำมันเป็นไปไม่ได้นะ เ, เขาต้องลงทุนพอสมควรอันนี้วิชา เ, เป็นวิชาหรือภพหรือชาติเราจะไปทหย่อๆแย่ๆไม่ได้ อดหลงตาพระพุทธเจ้าอดนอนอดภักยาหารเท่าไหร่4ี่สบเ้าวันอดนอนเท่าไหร่นั่งภาวนาเท่าไหร่นี่ครูบายอาจารย์สายหลวงปู่มันหลงตามหาบัว น, นั่งทั้งคืนแล้วเดินจยกลมตลอดคืนนี่แหละอันนี้ไม่ใช่ว่าจะทำแบบนั่งไม่ถึงห้านาทีหาววกหาวายแล้วจะจะจะรูะ้หลักของพระพุทธศาสนาเป็นไปไม่ได้นะลูกหลานนะ วิชาในโลกนะั้นมันวิชาขนาดวิชาหาอยู่หากินในโลกแต่แท้กันยังไปเรียนไม่รู้ว่ากี่ปีจึงจบมาหาวิทยาลัยได้แล้ววิชาพุทธศาสนา ว, วิชาหรือภพหรือชาติจะเป็นวิชาห่วยๆ ว, วิชาเน่ยังไงก็ได้มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพุทธ ะ, ะแล้วก็นี่แนหะ เรื่องทั้งหลายออกปจาจักใจทั้งหมดใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าให้ดูที่ใจเมื่อดูที่ใจรู้ที่ใจเราจะรู้ได้ว่ากายกับใจใจกับกา ย, ยมันเป็นคนละคนละอ่านกันนะหเห็นได้ชัดในเมื่อเราจิตใจเป็นสมาธินะวันนั้นวันนี้คณะสาญญาัทธายาโยมลูกหลานมาจากต่างถิ่นหลวงพ่อจะพูดเรื่องสมาธิให้กับลูกหลานได้ฟังนะ เพราะเรื่องทานเรื่องศีลลูกหลานคงจะได้ยินพอสมควรแต่เรื่องศีลนี่ก็คงจะด้อยอยู่บ้างนะแต่เรื่องศีลหเนี่ยเป็นหน้าเป็นหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาเนะเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าต้องการความสุขความเจริญให้มีศีลเนนะี่ยศีเลนะสุขะติงยันติผู้จะไปสู่สุขติได้เพราะศีลสีเลนะโพกสัมปทาน ผู้จะมีโพคะสมบัติร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะศีลสีเลน น, นี้พิติยันติผู้ไปสู่นิพพานได้ก็โดยอ น, นิสงส์ศีลเป็นผู้ส่งเสริมผักดันให้จิตใจเขาสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยเรื่องศีลก็ไม่ใช่ของเล็กน้อยเหมือนกันำสำหรับกระวาสคือศีลคืออะไรศีลห้าก็เพียงพอสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายในศรัทธาญาติยมศีลหนะ้าเพียงพอ ปิดอวัยยผูมไม่ตกนรกนะลูกหลานนะถ้าใครมีศีลห้านะหนึ่งไม่คิดฆ่ากันไม่คิดฆ่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยถ้าดวงวิญญาณมันกระโดดโล ด, ดเต้นอยู่นั่นแหะคือมันมีวิญญาณครองสิ่งนะั่นอย่าไปคิดฆ่าเขาอย่าไปคิดคิดฆ่ามนุษย์ข้อที่สองอย่าไปขโมยของเขาข้อที่สให้เคารพสิทธิ์ในสามีภรรยาคนอื่นเขาข้อที่สอย่ากโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขา ข้อที่หจะไปดื่มสุราคันชายาฝิ่นยาเสพติดเบียร์เหล้าเมื่อดื่มเสพเข้าไปแล้วขาดจิตเมื่อขาดจิตแล้วทำความชั่วในทุกอย่างเพราะคนขาดจิตเหมือนคนเป็นบ้านะีถ้าคนเป็นบ้านะทำความชั่วดะใช่ลูกหลานเราเม ไ, ไม่ไปไม่กล้าเข้าไปใกล้มันนะจริงคนเป็นบ้านะชอบฆ่าชอบตีครบทำร้ายทำรายคนนะ่ เรายิ่งกลัวเพราะเห็นบ้าเข้ามาแล้วเพราะอะไรเพราะมันขาดเทติมันขาดการยับยัง้งนี่เราเป็นคนดีๆทําไมจึงให้ขาดเทติเราทําไมจึงชอบอยากจะเป็นบ้าท ำ, ทำไมจะาชอบกินเหล้าให้ขาดเทติคิดดูให้ดีจิมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธานะอย่าคิดฆ่ากันถ้าใช่เราคิดฆ่าคนอื่นเขาถ้าไม่ไปฆ่ารกเราจะกินอะไร ถ้คนอื่นคิดฆ่าเราล่ะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าวงศาคณาญาติฆ่าลูกค่าหลานของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรนี่มาคิดถึงตัวเราล่ะสิแต่เมื่อเราไปฆ่าเขาเขาคนอื่นเขานะเขามีความรู้สึกอย่างไรเหมือนกับเหมือนกับเรานะไม่แพ้กันเลยหัวใจเขาหัวใจเราไม่เหมือนกันเ้วก็ไปขโมยของเขาอีกของขโมยของที่เขารักของสงวนห่วงแหนของเขาเขรักอะไรเขายิ่งทกใจ ในเมื่อเราเขามาขโมยของเราเข า, เรารักเราเลยเราก็งทงชกใจอีกอมาขโมยพ่อแม่ผีน้องลูกหลานของเราที่ เ, เรารัก เ, เขาไปเรียกค่าไถยเรามีความรู้สึกยังไงเสียใจไหมเสียใจอย่างมากถ้ากลับไปทำให้กับเขาเขาก็เสียใจอีกเหมือนกันนี่แหละสินของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วคือไม่ได้ไปลไม่ได้อยู่ที่ไหนลูกหลานนะเขาเราเขาเรานะเข้อที่สี่ อย่าไปต้มตุนหลอกลวงโกหกเขานะเออตัวเองไม่มีเงินเขียนเช็คเด้งให้เขาเพอเขียนแล้วก็รีบหนีเออเรพรอยไรเพราะโกหกต้มตุนหลอกลวงเขาถ้าเขามาทําให้กับเราเราไปทําให้กับเขาเสียใจเสียใจไหมเสียใจอย่างมากเพรอยไรเพราะเราถูกต้มถูกหลอกถูกลวงน่นี่แหละศีลของพระพุทธเจ้าถ้าเรามองไปแศีลอยู่ในกระดาษมาอีกอย่างนึงนะลูกหลานนะ ถ้าว่าศีลที่นํามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเรากันกรองด้วยเหตุและผลและศีลห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศีลคุ้มของโลกจริงๆทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขจริงๆถ้าโลกในยุคใดสมัยใดเห็นคุณค่าของศีลห้าเห็นประโยชน์ของศีลห้าช่วยกัน ร, รักษาศีลห้าแต่โดยมากอยากจะให้คนอื่นรักษาศีลห้านะตัวเองเนี่ยอยากจะล่วงละเมิดศีลห้านี ต่างคนต่าง ค, คิดว่าอยากจะรวงละเมิดแต่จุดนี้แหละเออว่าจะจะรักษาสินห้าได้ยังไงเพราะต่างคนก็ต่างเออเอาข้าวพเจ้ารู้คุณค่าที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้บอกกล่าวไว้แล้วข้าพระเจ้ารู้คุณค่าเรื่องศินห้าของพระพุทธเจ้าเอาเถอะถึงใครจะไม่รักษาข้าพระเจ้านี่รักษาพระเจ้าจะนับหนึ่งจากข้าพระเจ้านะถ้าพวกเรารู้คุณค่าต่างคนต่างนับหนึ่งจากตัวของเรา หนบวกหนึ่งเป็นสองสอ ง, สองบวกสองเป็นสีไล่ไปเรื่อยแเนี่ยนี่แหละอยากจะให้พวกเรานับหนึ่งจากตัวของเราเองนะคณะสัตยาญาณโยมเพราะศีลห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขให้พวกเราใช้ปัญญากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลที่ถือน ะ, อ, ะอย่าไปต่อต้านนะหลวงพ่อพูดให้ฟังท่านี้เพราะหลวงพ่อพูดเป็นกลา ง, ลางเนี่ยไม่ได้เหยียบย่ำทำลายผู้ใดใครผู้หนึ่งพูดให้ฟังเป็นกลาง เพราะนั้นพวกเราทำใจเป็นกลางๆแล้วก็คิดติดตามดูสิจริงไหมหนะลวงพ่อมั่นใจนะพะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวัาสวากาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนะไม่เป็นอย่างอื่นเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร น, นัทนเนอ